คำสั่งหลวงปู่เทศเรื่องวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้พระเจ้าพระสงค์ครูบาอาจารย์เนี่ยขอให้องค์ไหนดังขึ้นมาเถิดกูขายกินสะ บ, บ้านหั่นแหลกของหลวงพ่อเนี่ยดีหลวงปู่เทศก่อนที่ท่านจะจากไปท่านสั่งว่าเจ้าคุณเลิกทาวัตถุมงคลหลวงพ่อตอบว่าผมไม่เคยทําสักทีหลวงปู่ มีแต่คนอื่นเขาทำหลวงปู่เทศท่านบอกว่านั่นแหละคนอื่นต่อไปนเนี้ยอย่าให้ทำพอท่านสั่งแล้วก็มาบอกเลิกหมดบางคนมาบอกว่าเป็นนี่เขาอยู่แสนหกหมื่นอ้าวเป็นนี่เขาแสนหกหมื่นเก็บรวบรวมสิ่งของที่เหลือมาทำบัญชีมาขายไปแล้วเท่าไรยังเหลือเท่าไรเป็นนี่เขาเท่าไรชำระเขาไปเท่าไรแสนหกหมื่น ผมรับผิดชอบเองป่านนี้ก็ยังไม่นามามอบให้ทีแรกเขาว่าขอทำเพื่อหาเงินมาให้วัดทำไปทำมามันก็เป็นธุรกิจส่วนตัวไปเสียบางรายก็ลุงพ่อจะทำาน่นจะทำนี่จะซื้อเครื่องมือแพทย์จะช่วยหลวงพ่ออา้าวทาไปทามาเขาไม่ให้เราหลอกแต่ว่าเขาเอาไปสร้างตึกสี่ชั้นห้าชั้นโน้นทำมาค้าขายอะไร มันจะดียิ่งไปกว่าขายวัตถุมงคลภาษีก็ไม่ได้เสียได้เท่าไหร่ก็เหลืออยู่เท่านั้นในฐานะที่หลวงพ่อศึกษาธรรมวินัยเพื่อธรรมวินัยจริงจังมองโดยทั่วไปแล้วศา ส, สนาพุทธในเมืองไทยเหลืออยู่ไม่ถึง 10% เอร์เซนใครจะทำอะไรมีแต่ผลิตสินค้าขึ้นมาขาย ในเมื่อพระสงฆ์ต้องสร้างสินค้าขึ้นมาขายแลกเงินตรามาสร้างวัดอยู่ก็แสดงว่าชาวบ้านเขาไม่รับผิดชอบมันน่าจะชวนกันศึกไปเสียให้หมดสิ่งก่อสร้างในวัดป่าสารวันที่มองเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ขายอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวและหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดที่จะสร้างอะไรไปอยู่วัดแปดริ้วหรือวัดป่าชินรังสีเขาสร้างโนนสร้างนี่เราก็ไปนั่งอยู่เฉยๆเออ ญาติโยมเอาเงินมาช่วยสร้างวิหงวิหารหน่อยก็ไม่เคยบอกไปนั่งอยู่เฉยๆแต่เขาก็เอามาสร้างให้เองไปจาพรรษาที่แปดริ้วพอไปหมอเซรีบอกว่าวัดเป็นหนี้ผมอยู่เจ0 0 0 0นหลวงพ่อก็บอกว่าจะเอาคืนไมล่ล่ะหมอเซรีก็บอกถ้าได้ก็เอาหลวงพ่อเลยบอกเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะหาให้ไปอยู่ห้าเดือน มีคนเอาเงินมาถวาย16ล้านนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้เขากำลังสร้างห้องน้ำห้องท่าสร้างศาลาสร้างตึกเอาใครอยากสร้างอะไรสร้างไปไปที่แปดริว้วเขาก็สร้างวิมานให้อยู่วัดหนองจระเข้เขาก็สร้างให้อยู่วัดหนองปลิงเขาก็สร้างให้เดี๋ยวเนี้เป็นเจ้าพระยามีประสาทอยู่สามฤดูแล้วนั้นเนี่ย